4.10 พระอริยะอยู่กับจิตหนึ่งวงเล็บเปิด8มีนาคม2551ในวงเล็บ 1, หนึ่งจุดจุดนาที17วงเล็บปิดถ้าเมื่อไรที่เรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริงเราจะเห็นนิพพานมันว่างเองหลวงปู่ดูลนท่านจะสอนว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิต ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างปิดเครื่องหมายคำพูดท่านจะสอนอย่างนี้อันนี้เป็นผลจากการที่เราจเจริญสติปัฏฐานเต็มที่แล้วจนจิตมันเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งถ้าไม่ใช่พระอระหันต์จะไม่มีถึงมีก็มีได้ชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณะสองขณะตอนที่เกิดอริยมากอริยผลแต่ละขั้นแต่ละขั้ น, นมีนิดเดียวในความจริงแล้วจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอระหันต์ที่ว่างสว่างบริสุทธิ์ มีพระไปถามหลวงปู่ดูลว่าท่านอยู่กับอะไรท่านบอกว่าอยู่กับในเครื่องหมายคำพูดรู้พระถามว่ารู้คืออะไรท่านบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างปิดเครื่องหมายคำพูดที่จริงท่านตอบเลี่ยงเลี่ยงนิดหนึ่งตอบแบบอ้อมอมนิดหนึ่งถ้าจะพูดจริงๆท่านอยู่กับจิตหนึ่งนั่นแหละ